ขอนอบน o o m เดบุรัตนาไตรขอกราบถวายความเคารพปฏิบูรณ์พอเจ้าวาที่เคารพอย่างยิ่งแล้วก็ครูบาอาจารย์พอรอทันนสรงมาขอเจริญพรหยษดโนมไม่ออกในตัวเขาทุบคนนุ่นเสียงลงนิดนึงเลยอาจารย์มันนะผู้ยู่ใกล่ ผูู้เก๋ยส่วงดังคอยแลตาผู้ยูไก๋ยเตียงดังแห้งถูกอยู่ในโลกนี่บ่หอมทอสงขานนี่แม่เลยคันว่าละพังโตมันเองกระทุนแห้งพอแล้วยวเนื่งที่เที่ยวไปอุ้มเอาอารมณ์ของผู้อื่นผมมีมือสิขืนพลหมอ้อแผ่นต้องแดงแล้วคันว่านะน้อคุณแม่น้เอเข้าใจบ่อุต t a d บอกาล่าแล้วนีว่ พ ญ, ญากับพ ญ, ญ่าเล่าอีกอธรรมารมันบทนาทั้งสองวาาภาษาภาษาไทยกับพ่อกระเทินภาษาเล่าก็พ่อกระเดิงนี่แหละจะเหยเียภาษาได้แท้คอมเมนต์แหงมหูเลยอลามก็ไปแปรอยกันเอาคือเือบรรดาทุกอยู่ในโลกนี่บททอสังขารสังขารหมายถึงว่าสังขารตัวนี้หมายถึงว่ารังกายเหรอนี่แหละถาดซีขันหา เอาธาตุซีนี่ยสังคัญตัวนี้ควาหมายธรรมาตัวนี้ด้ยมหมายถึงว่าถูกยั้งกระทาอถูกสงสังขารหนึ่งหายนิมหิวบร่ได้กินก็ทุกด้วยนะเจ้าสิหักสิสังโคเล็ก็ตามหดย่ำพอน่าเนอะเพาวมันเป็นโกคย่างยิงผลแล้วก็หิวมากนะขาได้หดแม่ผนแล้วมันบอกกองขาน้อยหายนิ่มนะปวดหนักมากบ้านเขาเออจะปวดไทยบุรีไทยบุ นักบระเดี๋ยวเบาหนิว่ามันสร้างผลเรือกระเซ้าค น, นดิขดหอดผลเรืกระเซ้าคิดหอดไปยังวันที่มันเสียตายโดยเฉพาะนั่งรถนั่งเรือไกลๆนั่งเครื่องบินแห้ตัวไกลน่ะ น, นี่มันหยอกเลยเทียนี่ยว่ามันหนาเขียวบุญเนบอะนี่เออว่าถูกกระบื้องวัชงขนันบาดบดอาบนา่นก็ถูกด้ไม่ออกข้าง่าคนนั่งอยู่นี่จมเลยเนี่ยโอ๊ยบาอาบนา้าอยู่บัดนพอผาปฏิบัต จนสวนม่นสวนม่นแล้วหลวงพ่อคนเบาล้วก็นั่นอยู่ต่อคนเบาดีดีแน่นําแล้วก็คนเบาถึงบัดวาอารามเพิ่เปิดใจกว้างมีน้ำซำจะพ่าองค์ใดปุมานนางอ๋อท้างไหนวะเนี่ยเอาตัวเราเดินอยู่วทังขคนอันนี้ก็ทุกเราเดินี่ยแม่นบอกลดี๋วกขันละคนหิวข่อยแลงนบแม่จมากู้เฒ่าแกบอกคหิวดอกแต่มาทั้งหมดก็ยังไม่หิวเนาะันบอก นี่แหละเอินวาบปทอสังขารห้องต้องปัวต้องดูแลต้องรักษามาเนี่ยฉะนั้นยังเสี่เที่ยวไปอุ้มเอาอารมณ์ของผู้อื่นก็หมายถึงว่าผู้นั้นจมผู้นี้ว่าวผู้ น, นหหั้งงนแคร่หักแคร่ซังเ่างไปอุ้มเอาเขามาไว้มาแบกอยู่เนเ่ยเอินว่าเพียงแค่อารมณ์มัอเสียกันหนักผมไม่มือสื้อขึ้นพนหมอแพ่นท้องแดงวันนั้นหมายถึงตกงลบซะทุกเท่แหละตกแล้วตกอีกเกิดแล้วเกิดอีก เ, กก เ, กกเฉะนั้นมือนี่กาในมีโอกาสมาพบปกจัดยม ผ้า พ, พิ้นปฏิบัติในช่วงกลางวันคนใหม่กับ น, นักเนี่ยคนเก่ากัมีประสบการณ์พอลู่จากลบจากหลีกได้ปัญหาต่างๆ่าส่วนคนใหม่กับยัง่งเอิ่นวายต่างต่างเลยั่งเพราะเห็นปลายทางอยู่มีแต่ผ้เพื้นมาเบอกให้ฟังมีนํ้ำซ้ำมีกาละมาสูตรห้ามเชื่อสังกัปปะคุบาอาจารย์กันนี่ผ้าบอกกุบหายเซียเนี่ยคุบาอาจารย์บอกกุบาหายเซียในกาละมาสูตรปรัชนา เป็นยังแค่นี้ปฏิเสธก็ไ่ได้ เ, เ, เนี่ยปฏิเสธปฏิเสธเลยในเอื้นว่าปทะปรามะขันเสียเลยในเอื้นว่าบานทัเอื้นว่าจัางไดเนยเเขาไปไถนานไหจูงดังไปก็ไปไม่คนเนี่ไม่เห็นไม่พเนั้นเนองจังไดเขาก็ลองมึงนลล่ะลองก็ปดิเสยหายเด้อรือเป่เพียงแค่เสียสละบานเสียสละสองเสียสละเวลาแน่นิดหน่อยมานั่งไล่หุ่นไล่หินตียุงซะกันเปะเปะะปะอย่นี้ ข้าละคน้นกับต่อต้านในใจลโอ้จากเงนกรรมฐ า, านเา น, น่นอะไรอย่นมาแล้วปกติคนว่ามาเดิมมาปฏิบัติธรรมาสักคันว่าปฏิบัติธรรเนี่ข้ารางคานรเนี่ยตั้งโอ้ยู้ขาสิยเลยเป็นนางสมาธิบนันนี่ละหดเลยนะป่าลูกป่าเฮี้ยนป่าซานมาล่าลูกล่าพอบานแม่บานม า, มามานางสมาธิมาหอดแล้วใส่เรงสมาธินคนกเห็นแต่เพลินยกมือว่าข้ารคชการนี่ย ทีเป็นสมาธิได้จังใดวาสันอันนี้ก็เป็นปัญหาของห่าวอยู่เอยากจะซีบอกไ้ฟังต่อไปอปัญหาของภูใหม่ฉะนั้นวิธีการนี่ต้องอาศัยภูพิสูตคุณแม่ทุกคนมุนมิภูเอื่อนว่าเอิ่นว่าปฏิบัติแล้วเนี่ทุกคนเนี่มุ่งไปสู่ความสงบสงบจังใดเหรอสงบของจิตใจตนเองมันบอกสงบอยากว่าอยากให้มันคิดอย่างเนี้ย อยากนั่งซื้อคือยังทอนใหม่ครันั่งซื่อบอกคิดบอให้มันคิดคิดกับข้อมใบบอให้มันคิดนะมันเก็บก็บบให้มันขยับให้มันนันง่งเบิ่งมันอยู่คเคยตรวจลองม า, ากพอสมควรอนันเอินว่าเต็มควอมสงบแบบอาจจะจากข้อมคิดแต่เป็นควอมสงบของเลือดสีเป็นควอมสงบของดาบทเป็นควอมสงบของชาติ สมาบัตหรือผู้ตีว่าทำสมาธิเหตุสมรรฐาอ่อกายบานห้อเหตุสมรรฐาคือมุ่งควบสงบสงบจากควบคิดบ่อยากคิดควบคิดมันทุกมันแปรแล้วหากไม่อยากคิดอันนั้เป็นวิธีการที่มีมาก่อนพุทธศาสนาอีกมันพอขึ้นแม่มีมาตรกรู้วันพุทธศาสนาคุณเป็น้ยงเสียละพระเจ้าการปฏิบัติมาจนได้สมาชสมาบัตเหตุสมา ร, as, Questo, okay. ร comic, 谢谢์ตบัตแปรตามตำราความห้องเฮือดเดินอากาศได้คุณละแล้ก็เปยังผลนยังบุพน์ถูก นะแต่ว่าพิธีการเนี่ยค่ะเอามาประดับเผยแร่กันเต็มก็บอกเลว่าผิดวัตถุก็บ่าดีเบิ่งแล้ว้ฏิทอบบ่บบมีทุกปฏิทินนี่ความสงบของพุทธศาสนาจริงๆแล้วน เ, เนี่ยไปเบิ่งโอ้คนละยางกันคนละยางยังดเพรสงบาจากความคิดด้ยสงบของพุทธศาสนาใส่เข้ามาสงบเปลี่ดดยแต่้สึกนะ เมื ederim, ่อวานเมื่อนฟังหลวงพ่อพูดว่าพึ่งมาเกื่อนแล้ว่ะคำว่ากิเลสนี่มันบ่มนขั้นบ่มีกิเลสกับ่มีผละหันขั้นบ่มีกิเลสกับบ่มาบวชขั้นบ่มีกิเลสก็ไม่มู้ทเจ้าบันี้ค้รห้องมุงวังยังวังเพื่อให้กิเลสมันเบิดเพื่อให้กิเลสมันหนีหนีใจหนีใกลจากกิเลสเราสิห่างจากกิเลสถ้ากินกิเลสต้งบมบกิเลสมันคือว่า มันแปรสภาพมันคือจังเพิ่นหลวงพ่อผสสกคาว่าเขาสังเข่าเปลือกเกเรตคือเขาคันเทาบี่เข้าเปลือกเขาสม่ได้กินเข่าสุกบ่คุณแม่ไม่ได้กินมันบ่เกเรตคือเข่าเปลือกเนี่ยนะประเทศนี้เข่าเปลือกตัวนี้นะมันมียางเหนียวเพรว่าตันหาที่เกเลตเฮ้จะได้กินเข้าสุกอ่ะเข่าเปลือกกินอะได้เขาเปลือกก็ต้องเป็ี เอาไปสี่เอาไปโบนไปคัดไม่เป็นข้วสารเอาเป็นข้วสารแล้วฉันกินเลยบริสิกินไม่ได้อีข้อสารเพชรทะเนก็ต้องผ่านกระบวนการเอาเป็นหนึ่งไปฮวงไปต้มจะค่อยสกินได้อีกทีหนึง่งฉะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนสภาพเป็นการฝึกน่ฝึกเปลี่ยนสภาพจากอ่กิเลสคือโลรโกรธลงเนี่ยมาเป็นเอาความโกรธมาเป็นเมตตาซ ะ, ะเมตาามตากรุณาเมตตาอุเบกขาว่าไปแล้วก็ เอาข้อมลงมาเป็นพิชชาคืคอควอมลูกให้ตื่นโตนข้อมรวบกับมาเอาทำไร่ควอมตนี้อาจารย์การให้ให้ธรรมะเป็นท่านให้สิ่งของทั้งหมดนี้ลคือแปลธาตจากสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเป็นท่านที่ดีเลยมันก็เบิดจริงโดนั้นไปประเทศนี้คัมทิโบไว้ตอนตอนว่าทั้นพุทธศาสนาเนี่ยบรมบเอาบรมเอนสงบจากความคิดบรมเอนสงบให้มันนิ่งมันเงียบพุทธศาสนาใส่คำว่าสงบจากกิเลส สงบนใกิเลสตัวองสงบจากอ่วมกรดนี่แหละนะเนี่มีสงบนหม่สงบนหลายดิขาดงคนพูดเพื่อนเก่งแทกับสงบเบิ้ลเพื่อ้บ่าวาพื่อนว่าเพื่อนดาเพื่อนปล่อยก็เต้ยเพื่อนว่าเพื่อสงบแท่นแต่ว่าห่อครับยังที้ไรฝึกไปเรื่อยมันก็ค่อยเพื่อนบ่าเพื่อนดาก็เขียดหม่อลงสักหน่อยนะเขียดหน่อยโลงจนมันเบิ้พละกะกระทบกระหูซะกนเพื่อนบ่าเพื่อนว่าโอ้มัน หนาเริ่มแดงเรื่อยนเริ่มกัดเข่าเ้ื่อยนก็หู้นั่นคืออาการที่มันทุบมันเกิดเป็นจากใจเจ้าของน้ำแน่นนึกมันห่อนหอดหนาตาแดงพร้อมหมดแล้วเขามันโกรธเคียดกูเลยมากเขาเห็นเห็นว่าเขาคายออกบอกมันคบคิดเบิดได้ไหมแต่ว่าสิ่งตัวนี้มันเบิดเนี่ยค่อยห่างออกไปสงบจากกิเลสสงบจากความโลภโลภลายกั็โลภน่อยล่งน้อยล่งจนเบิดลดละเลิกคนว่าอ่าแล้วก็สงบจาก ความโกรธสงวนจะข่มหลงตอนแรกข่มหลงนี่ซ้อนเน่ ย, น, ยน้อยกับหลงจา ก, อ, กอะไรก็อ่าจากความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อ่าวิชาตันหาประทานไม่รู้อ่าโลคโกรธลงไม่รู้อะไรก็ซ้อนกันไปแต่ว่าพ่อจะมาเบิ้งแล้วนางสังเกตได้วันโยมห้านางปฏิบัติโยมเมื่อนี่ขนาดที่ห้าวยกมื่อหูสึกตัวอยู่นี่เขาบอกหูสึกตัวนี่คือหูแสียเด็กหูสึกัวขณะดหูสึกตัวอยู่นี่ความคิดมันไม่เห็นบ่ นความคิดบ่มีกหมายถึงว่าข้าวหูเป็นผู้ดูผู้ตื่นอยู่ขณะหนึ่งนี่แหละขันผู้ใดมีหลายก็ตื่นหลายผู้มีหน่อยตื่นน่อยขันบ่มีเลยก็หลับไปขันหูอยู่นึ่ขณะค้อมคิดเขามากปั๊บนี่ค้อมคิดเกิดปั๊บนี่เป็นวิชาที่ได้เป็นอวิชาที่โบหูเพราะแต่โบหูปับ๊บมันก็เกิดกระบวนการคิดเกิดวิชาอาวิชาตัณหาประธานกรรมพบจนอา่โาโสกะปริเทวะยนอนมันแล้วสุดท้ายมรณนะความคิดมันดับ ค, ค, คิดจบเรื่องนี้คือเรื่องอะไรจิบจบเรื่องนี้คือ เ, เรื่องอะไรคือห้องพูงพระสัทธรเนี่ยเรื่องข่มขิตก็เกิดไปเรื่อยประที่พูดวาปฏิบัติได้แต่พ่อมาปฏิบัติย่อมเรื่องจับข่มรู้สึกตัวไปชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ่นนั้นเพิ่มขึข้นสตีนคือตอนนี้เขาเอิ่นว่าเพิ่นใส่กระบะมาเหตวิปัสนาที่จริงเพื่อนได้เป็นวิปัสนาได้หนี่เป็นอยังอย uh ูหูบเพิ่นใส่ํวาว่าภาวนาอยู่ตอนนี้เขามาภาวนาภาวนาอย่างภาวนา ภาวนาไปว่าเฮตเุเ ห, ห, เ จ, เ ห, หจะเลืิอนเหุยังเห้เลื่อเฮตุสติให้ไม่จะเลืิอนขึ้นคือควมรู้สึกโตนะสติเป็นภาษาอินเดียเขาภาษาเขาเอ่ยว่าคมหูรู้สึกโตปานเอาหูเมียคิงให้หูร้สึกโตแ ล, ะ ล, ะ ล, ะละ้วล่ะหูหตัว น, นี้จะเลื่อนขึ้นเด้ตอนแรกธรรมาเรคิดว่ามันสีเปลี่ยนจ า, ากคนวายทีนี้เลิอ่อนเลยเขาก็มีสติอยู่ดอกป่สันแต่เมื่อนี่คุณโยมคนวายเหมอกันยี่มีปัญหามั้เห้คุ้มสติเหคุ้มสติมั มันตีกิ่งมันมันคุมสติอะไรแต่คนเท่าต้องใส่ขว่าเกิดปัญหาให้มีสติดีดีกว่าสติมันคุมอะไรเพราะมันเป็นของเทาสตินั่นมันคือสติคือซื้อก็เป็นบ้ายเป็นบ่อไปฉะนั้นเท่าเฮ็ดตัวเนี้ยยกมือขึ้นเที่หนึูเที่หนึ่งยกมือขื่นสองเที่ยงหูสองเที่ยงตวนี้มันทิดมันได้เป็นต่อกันเรื่อยเก็บเล็กผสมน้อยอ่าคุณแม่บอกโอ้ผู้ขาเห็ดมัอนี้เบิรดมือเพราะไหนยจิงจวงโอ้คันเฮ็ดมือเดี๋ยวได้ก็เป็นปัญหาเบิดบ้านกันเนาะ มันก็ต้องใส่เวลาโดนเติบไปนู้าค่อยเก็บไปเก็บไปนี่แหละเพื่อนเอว่าขี่ขั้นเฮ็ดขยันก็เฮ็ดเอ๊ไปเนี่ยให้เสื้อมันให้มีศรัทธาในเบื้องต้นเสืียมันในคูบาอาจารย์ขั้นบ่เสียเพื่อนนี่เอิญว่าจังใดขั้นบ่เสียแล้วมัน่มีกําลังขั้นบ่มีศรัทธาเลยแล้ววิริยะก็บ่เกิดเป็นยังไงตี้ขั้นบ่มีศรัทธาแล้วเนี่ยแจ๊กเพื่อนบอกมันหลีบบ่บู้แจ๊กผามาจะใส่บู้พอจะเพิ่นผ้าหยกมืด ไปเกิดเจอปัญหาแข่ง่วงเท่านั้นละเกิคว้อม่วงเงาหอนอนควอม่วงเลยโอ้ยมันพอด้วพ่อหลีด้วคุณแม่คาคนมือคือังเมกมันมคุมห้องนี่ละมืดตาที่บนี่เอาไปมก็ซ้าหาโทรศัพท์ทันหรอเปลาเนี่ยสโทรศัพท์เดียวนหลวงพ่อาลูใหู้้มรับคนนั้นเนี่ยะเนี่ยแล้วก็ตั้งใจด้ฐานยายอย่ว่าอยู่หาหน่งเดหนึ่งตั้งฐานอยู่แต่ว่าเฮ็ดสัตเพศยตามในฐานเพได้สัจจะกบเกิดเนี่ยนะ เนี่ยคายลังคบนบพงคนบางคนอยู่นี่รอกอยู่บางมองพ่อะว่าเ น, นี่ยพอแต่หนกันกๆควบม่วงมาเห้วกับเศ้าหาโทรศัพท์ทั่วเนี่ยปัญหาขออ้างนด้ับหาเนี่ยอ่าโทษมาบอกแม่เนี่ว่าคู้นันเป็นนั่นผู้นีเน้เป็นนี่วันน้โทรมาบอกว่าหลานว่าสบายเด้อค่อยสมเหตุสมผลแม่ที่ด้กับบ้านวันนคายคนก็ได้อ่าเขาก็ท้มมากนี่แหละเอิว่าข้ามันเกิดปัญหาเพราะมีศรัทธาเพมีความตั้งใจอิเลี่เนี่ย ถอยจากโหลดกันหลายคนหลวงพ่อเลยว่า like, โอ mm ้ยหลายหลายคนอยู shrink, ่น like ี่ออกจากขาคนนะยมว่าโอ้ยบนเนีอหลวงพ่อบุขคาบนยอมถอยเดียวส่งพ่อฟังคนแล้วก็เป็นเป็นตาไม่แห้งแก่น้าอยู่บนยอมถอยเนี่ยนะเฮ็ดตัวเนี่ยเพื่นแม่เฮ็ดแต่มันเจริญเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยเนี่ยมันตอกันตกันตอกันพอจะเฮ็ดไปเรื่อยเขาบหัวมันตอกันเลยเฮ็ดไปเร่อยไปเรื่นไปเฮ็ดเล่อยเรือยเี่ยวอีรด้ล่ะันเฮ็ดเร่ยเ่เดี๋ยวบงบังหนูบังรถบังลาบนนี่ยกเมื่อเฮ็ดไป ไก่ขัดเห็ดอีลีน่ะเฉพาะจุดใดจุดนึงเลี้ยวเบิ้งแบบสบายสบายสักตัวเบิ้งเฮ้ยกับนูนคุ้มรู้สึกไปเนี่ยมันจะโหตอนใดว่าเขาไม่มีสติเฮ็ดไปเฮ็ดไปนี่คุ้มคิดเขามาปุ๊บโอ้ยเขาเห็นคุ้มคิดตัวนี้ันมันมันที่โหคุ้มคิดตัวของคุ้มคิดเขามาป้าตัวมันหลงคิดไปตั้งโดนเขาเคย อ, อยู่กับสติเว่าส์าสันเ อ, เอาไหมเวอร์สันเลิบ ม, มาอีกเริบ ม, มาอีก แค่ไม่อีกต่อสู่บดมือดึงกันไปดึงกันมาอยู่น่ะดึงกับพว่มคิดเจ้าของบางทีมันมาทั้งมาทา้งใดล่ะตาหูจมูกลิ้นวะล่ะบางทีตาหูจมูกเลิ้นบ่าให้ไปดอกพอาปยืนเขาอยู่ในศาลายงแทรกกับสิได้ยินแต่ทั้งตาล่ะเสียงประตูดังแอดอ่ากลางหูประตูดังแอดตาเหลียวเบิ้ลปั๊บเดีวได้ข่าวครก็ได้อืมตาไว้ไหวจริงสิบอก่จะเบิงอยังเบิ้ลให้เบิ้ลเจ้าของบาเบิ้ลเจของนละ เสียงประตูเปิดคนปรากฏว่าคนเข้าออกดอูดูประตูกระไดสงสัยคุณแม่ผู้เป็นอยากกับบ้านนะบงส้งอยากกับบ้านอยากขอห้องน้ำะนะมาแล้วม่ย่างอาตมาสังเกตมได้ ส, สิ่งสิ่งตาหน่อยบงยู่ย่างวนไปว่นมาดเขตทางโน้นย้ายเนี่เปิดประตูดักแอร์มาสั่น <c oughs> เปิดเล้ยว่าอยแ้เสีออกไปแม่นออกไปได้ไปปอกแ่องมงมึมีคนบนท้อกขงหอกบนนอซึ่งนี่นะพอได้เพอาได้ป้อนข้อมึงก็เอาเสีย แปลกอยู่อยเอินว่าไปน้ำใจเจ้าของบ่ท่านใจใจมันตัวมันหลอกเนี่เอินว่าเท่า <c oughs> นั้นเฮ็ดเบิงตัว น, นั่นหละเบิงมันมันดึงไปดึงมาสมเหตุสมผลขั้นมันหนักอีรีเดตคอยมาถามก็วบาอาจารย์ว่าบุขาป่วยว่าท่านเนยอันนี้แค่ด้านแรกซื้อได้หนูคุณแม่ด้านแรกอารมาเปรียบเทียบเวทหนีฟังมือเวท น, เวนีเลยเห็น คุณแม่เนี่ยก็ไปโอ้ยพระจานทร์ไม่ออกเขาสีนังจะคนบ้าบ๊หลวงพ่อคือเอาหนักท่าบ่บ้านท่านยางว่นกันยูไม่ออกอ่ะเอคือจังฝันค้อขาดแม่นี่ยล่ะมันจังไรละ่ะเพราะว่าเฮ็ดสามชั่วโมงรวดตั้งแต่สันเขาอิ่มเนาะกินเขาอิ่มแล้วบังง่วงกับง่วงเบื่อกระเบือเหลียวหาโทรศัพท์หลวงพอ่อเก็บใบาเนี่ยยางว่นกันอยู่ก็เลยพระอาจาร์ไปเบื้งไม่ออกแน่ท่านอาตมาก็เลยยางมาเอือนมาร่วมกันอ้า เ่ารีแลบธรรมะอันน <BERT> ั้นในฟังมี่ฟังหน่อยเว้าให้เกิดความมั่นใจให้เกิดกำลังใจนะเบง้องส่วงส่งงวงปฏิบัติต่อเนี่ยอื่นว่าแต่ว่าเหตุทูมือบดเลยได้แล้วว้าดูอ่ะเพราะว่าอยังม่าที่ขั้นห้าปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณแม่ขั้นบบพ่อความง่วงบบพ่ออุบัตรัเนี่ยัดิบายว่ากลับบ้านซะมันเสียเวลาเป็นย่งมันบบพ่ออย่างไงเพราะว่าเอาสมมุติจังอาตมาเปียกเทียสมมติจังหมักข้าวเนี่ยเขาวอยากกินหมักข้าวอันบอ ตอนนี้ตอนนี้เขาพอนได้พ่อไปพ่ออันมะเผาเพราะพอได้พ่อเนื้อพ่อน้ำอยู่เด้แล้วพอนได้ไปพ่ออันเอาน้ามาเห็ดกะทิมาเห็ดตะมันอยู่ที่ตอนนี้เขากาลังพาน่วยมันอยู่เอาได้ได้เผาพรวนวยเนี่ยเอาห้มีดห้มีดไปมีดคืออย่างไะมีดคือควบมีดคือสติคือควมรู้สึกตัวแล้วควบเพี้ยนคือกําลังเนาะแล้วก็ไปพามันปฏินิพพ์พ่อจะได้เปลีวพามัพพ้อหมดละซับทั้งนี้กะ อ่าไงสัตว์ต้องเรียนไงแต่สับไปเนี่ยไปฟอนอาราม่นหมดังเปาะเด้นเดินบอสัถืเปลือกมันดังพู้พูดไปสั์ไปแต่ัตวไงโอ้ยไปปฏิบัติายอยู่เหมืนคาคนพยยกมือไปแต่ไงอยู่แอบกางได้ก็ได้บว่าเพนไปปฏิบัติอันสมาธิโอ้ยคิงวสันบัดบ้านองผูกกับคารคนเก็บลังอลเบิ์นนั่งสมาธิโดนไล่แต่ไม่เห็จะสี่เรงพอพราะเหตุไปแต่ไงอยู่ดอกนั่งเหยียดขาก็ได้นอนก็ได้เพราะน มักตีเาน่อยวาสันก็นแกนแล้วคนหน่อยนอนดิคันนอนก็ไปเรียบานอนก็บลากปืนกลมายิ่งกันสล้นอนบ่เนี่ยให้นั่งเหยียดซร้อยก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ยืนก็ได้ให้ตั้งใจเอาสมิสติอือสื่อเนี่ยอามกับง่ายขึ้นย่างผ้าเเผ้วผาเปียกพัวพว่ไปสับถือกะลานโปโอ้ยมองนีมันแกนสับมองไมดอกเขากสันสับมงนันกรโปสับก้อมมาเเผวร่องคลองอ่โอ้ยถือจะมองแกนแกนวะสัน มะเ้านึงแต่คือตัแกนๆมันยคอือยังล่ะ ต, ตัวแกนี่คืออันนิวนะอ่าธรมราคะพยาบาทวิ ก, ก, กิกิจชาอุทธจักปุจะแล้วก็ อ, อ, อีกตัวหนึ่งอะถีนมิทะนิวนัตหาตัวซึกระล่าไม่ได้น่ะนะซับไปตัวง่วงนอนปับกรถอยจา้า อ่าโทรศัพท์เหรออ่าสับไปถือตัวสงสัยก็นั่งเกาหัวแล้วมันโมโนพ่ า, พาเห็ดยังนอฟมันว่ามัานถือโมโนฟมันนะอ่าสับไปถือตัวไอหลังเลสงสัยฟุงซ่านน้ำขั้นใจก็อึดอัดขัดเครื่องใจโมนเนี่ยเป็นถือกะลาบมันบ่นล่ะมันจะนี้เฮ็ดยังไงล่ะฆ่าเราคนเดิ้ลแก่โดยวิธีไปอาบน้ำแน่ไปอ่าเข่า้องน้ำแน่นะเปิดประตูไปซ่องข้างนอกแน่ ทานข้นกันยงังส่วนหมูคุยแน่สิน่ะเอินว่าบัวพาเนี่ยเอาาิว่เ า, าเปินออกเลิกได้กินเนื้อกินหน้ามาาันจักเพียเฮ็ดทะไลใช้ได้กินเน่ยโอ้ยสู่แล้วเนอะอาะพระสันพุทธเจ้าเป็นเสกใส่คําวันใส่สัจจะมาซอยเรือใส่ไอ้ฐานบารมีบารมีเที่เทาเห็ดมาทั้งเบิ้ดเนี่ยที่ยวเที่ยวบุญมาโอ้ยบารมีสิเนี่ทธน า, ารามีสามพันโนทองมาทูกครบเนี่ย ออกมาใส่ด้บริเวณออกมาท่องซื้อด้วยทองเม็นกแก้วนกขนท้องบริเวณใส่บริเวณเนี่ยเริ่มจากท่านบารมีเนี่ยเขาท่านมาแล้วท่านบ้านท่างซองมาเลยจะอยากกลับไหลอยู่พวามตีสิบสามสี่กันอยู่ให้มันได้อย่านี้ท่านลูกท่านล้านท่านละค้นแต่ล้านเพราะม่นหล้านปิดด้วิดหล้านก็สินะท่านเขาท่านบ้านท่านสองมาเลยเป็นว่าเป็นพระเวสสันดรท่านมาได้หามือท่านไครหรือพอดท่านพรรยากันเอินมาท่านมาซี่แล้ว ให้ภาพให้ไปท่านลูกท่านหล้านเงินเราท่านกันหาชาล์ลีให้ผู้อื่นไปช่วงนี้นี่เราพิเสนดอนมาสตอนนี้แต่ามาซอยกั็เหนือท่านบาลมีเับไม่ได้ควงเขาอยู่กับไอ้บพพ์พนอ่าถือเทียแล้วปัตตานี้ท่านบาลามีเขากับท่านเดี่ยวเสียสระแล้วอ่ามีอย่างศีนบาลมีก็มาตั้งเจมานักษาแล้วถือศีนแปดถือศีนหารักษาศีนใจตัวของให้มันเป็นปกตินะเนี่ย น, นะอันนอีกคุณแมบารมีสิบอะรัดหลุดเอาสัจจะบารมีโลดอะละมาเยทองโยมหลังรื้มเอาสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีคิดพ่อพระเจ้ามาปฏิบัติแล้วนี่เมต่เลือดเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามมาสัตว์คนว่าเราจะไปลูกจากที่ตรงนี้สิทตายกระสังเะนะมาลูกจากต้นสีมหาโพนี่ที่ตั้งใจปฏิบัติพระเจ้าอธิษฐานจิตแล้วก็นั่งเลย นางพ่อตะนางแล้วม่านกับมานเด้อที่นี่ขันบอกอดิฐานในม่านบ่มานรอกผู้ใดก็ตามเขาทีอดิฐานทำคุ้งามข้อมดีแล้วมีรถม่านม่านบ่มีบารมีบ่เกิดเป็นคนวางนะพ่อตะนางอธิฐานปั๊บแล้วเนี่ยม่านกันยกทับมานเด้อเป็นกระเขียนเป็นรูปเป็นภาพเป็นมุณแมีอ่าม่านยกทับมาจจกว่าอย่างแน่ตัวอย่างแน่แล้วทึ่งสร้างทึ่งมาถึ่งอ่าทรงต่อแรกก็ทรงเสนาม่านทรงสีดาม่านมาก่อนนะทรงสิดาม่านอ่ะพอทรงเสหน้าม่านมากทรง โยกทับมาเองม่านกัะแพะ่ย่นยังย่นขันติบาลมีเพื่อนมาสอยสุดท you ้ายต่วขันติบาลมีนะขันติบาลมีอุเบกขาบาสุท้ายนบอกนี่หละคันเอาเห็ดบ่อใดเดียขันบ่อานเป็นเลยนี่โอ้ยมาเ็ดมาเห็ดร่อมึงซื้อดอกพอได้เจออุปสรรคปั๊บเนี่โอ้ยกลับหัวสารบัญเห็ดหัวมดอกเป็นวาเนี่ยทำบุญเอากะเพาะพ่ะเราข้าหัวสนนะเกิดมาศาสนาทำบุญนี้เกิดสาต์ต่อไปกับทำบุญอีกแต่ว่ายางเพ่นทำบุญปราชนา เพื่อพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เทินพันวาที่ท่านบ่เพราะเสียวตะแยงละถอยจากนะเพราะันวาพระนิพพานมันสิมาหญ่ัของคาะคนก็โอ้ยไปเข้าถึงพระนิพพานไปสู่พระนิพพานมา่นอาตมาก็เลยบอสังเกตวนี่เข้า่าไปสู่พระนิพพานเข้าถึงพระนิพพานจังจังหวังสำนักพันวาที่จริงแล้วพระนิพพานมันเป็นสัจฉีกระนธรรมมันบ่เมนมันบริยูเหมงอื่น นิพพานมันบริยูมองพบหนึ่งมันบริยูวิชิตมันบริยูมองใดบริยูอีมิติหนึ่งนิพพานนะนะเพื่นเพื่นใส่คำว่าสัจฉีกรธรรมนิพพานะสัจฉีกรฐายะพระบวชไดไหมเนี่ยต่พระจ้งหลวงพี่เพิ่งบวชมือบวชเพิ่ต้องไรฐานเนยนิพพานะสัจฉีกรฐายะเอวังกะเอตังกาสาวังกษิตบาลเพื่อนวะข้าพเจ้าบวชเพื่อทาพระที่พานให้แก้งวะท่านเพื่นเลยใส่คำว่าเนี่ก็ บวชใหม่ๆอยู่ใกล้นิพพานมาทันใกล้เห็นเพราะว่าอธิษฐานมือนั่นนะนิพพานนะสัจจีรัตถายะข้าพเจ้าบวชเพื่อจะกระทําพระนิพพานให้แย้งมาทันบวชใหม่ๆอยู่ใกล้นิพพานบวชนานๆนิพพานชักไกลโอ้ยมีแต่เหบียดกต่งานบวชไปบวชไปไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพานมาทันรอบแถวสา่านหนาวนิพพานเท่าไหร่สันล่ะเนี่ยคือนิพพานเนี่สัจจีรัตถยะเนี่ยเป็นสัจจีรัตธรรมคือเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นการกระทําให้แย้ง มันมีอยู่ในตัหอแต่ห้องมันเพราะถแกลงซึ่งมันมืด อ, อยู่ย่อนมันมีอภิชาหออยู่หุ่มอยู่เนี่มันเพราะถนแกลงมันก็เลยบอเห็นเล่าบบกเย็นบอสงบบอกเงียบนี่แหละห้องเล่บสีเหี่ยวจะบออื่นเบิร์ตในผ่านสิ่งที่อยู่ในตัวของแต่ว่าพราะถ่แกล้งเห็นเห็นมันแก้งเห็นในจิตในใจจัวของ น, ะนั่นเกล้เนี่ยอะไดหลืว่าที่เก่ี้ยงก็เรา่องสิผ้าเห็นจะเด่นแะล้วยังเดินทางต้อกันนี่หละระเนนี้ามามา กลับมาซูทฤษฎีมะพร้าวเขาอีกเชนึงเนี่ยเจ้น่ะห้องกลงางภาคมะพร้าวเนี่ยาไปถือกล่าภาพไปถือนิวด อ, อย่างกระถอยถอยถอยเขาต้องใส่ความเพียนความบากบันนะคือสัจจะบารมีล้วก็เจอปัญหาเนะี่ยจะถอยเทจเบื้องหน้ามันเป็นอยังขึ้นง่วงง่วงสิยืนยืนเดินเดินนะคบเดินนังง่วงอยู่กับนะฝาผนางงังหวงพ่อแพงเรก็ปั้นนะ่ขึ้นกระเบิอหายง่วงลอนะั้นมันง่วงได้ขนานะาตมรอนะัน เขาจะไปตีแห้งโด้การมันทะลุมันคืนบนอบานเห้องบอนปูนนะอาตมาใส่สิ่ตัวข้างห่วงมากข่งดึงหัวเจ้าของดึงหัวเจ้าของแนี่ยเกอะใส่หัวเจ้าของแนงเสก็มีมันเก็บจ น, นส่งห่วงเดินบอกเหตุโยคะเนี่ยนั่งเหยียดแล้วก็โกงหัวงไปใส่ขาเนี่เสีนรันผู้ผู้ผู้ ด, ด, ด, ด, ดมันเก็บห้องเออแล้วก็ส่งหวงง่ว ง, ง ว, ว, วงกันละมันยากเลยมันมันเมันก็ะยันเก็บอยู่พวกห่วงกันเลยเท่ากับใส่วิธีแก่ตัวนี้มากแก่ ความอึดอัดกัดเครื่องใจเนี่ยเป็นดูเลยนั่นงไปนะีป่นอึดอัดเพราะมันเป็นอย่างอาึดอัดมันคือนั่งยุสคำว่านั่งกับเบินบอยหายทรมานคือนั่งสบายๆหมดหรอเก็บขังนี่ตั้งทับโดนเก็บกับพริกได้ไ้มพี่ก็ น, นั่งสบายแต่เขาลงแล้ไปยังทุกข์อยู่นันไปนยางคือทุกอ่ะมันทุกมันเกิดปริโพเทือโอ้ยอยา ก, จากเจ็บไปยังบุญเขายากคือว่าทุระหลายครั้งปฏิบัติแล้วนะเป็นว่าอธิษฐานปั๊บแล้วทุระหลายเลยเน อนันกัพ่อในเหตุอันนี้พ่อในเหตุอยู่บ้านเท่ห์ทอดแต่บ้านนี่แหละมันบวคิดทอดจต่ของคิดทอดแต่บ้านเพื่อนบอกให้ายู่กับเจ้าของไอ้คิดแบบให้เบิ้งเจ้าของไอ้คิดทอดเจ้าของให้เอาเจ้าของบุย่อมเอาเท่หอดแต่บ้านจีทอดลูกทอดหลานจีทอดผู้นั่นผู้นี้พอกลับไปแท้เรื่องมันม่ได้แต่บเหตุดอกมันคิดต่้ตัวนี้แหละเพรมันไปนักคมคิดที่จริงแล้วธรรมาะเอยฟังบางตนนั่คือว่าเหตุพิธีการนี่แห้งคิดแห้งดีเพราะว่าอย่างบว่า โบเมนมาเห็ุให้สงบจากความคิดคิดรลดคิดจะได้เห็นคิดไปแต่ให้ให้นกมือบ่วเท้ามันบอกข่านคิดไปไม่คิดรลดแต่ว่าผู้ขาดยกมือบ่วเท้าเห็นคิดรวดมึงผือข่านคิดรวดฉันบอกมันเบิงเหตคิดเราเห็นเห็นเราเฮงคิดไม่ใช่ทุกเนี่ยเป็นท้อท้อว่าให้คิดเพราะว่าไม่ใช่เด้ทุกมันทุกเนี่ยมันเห็นความคิดข่นเอาความคิดออกมาได้เนี่ยข่นเห็นมาแล้วจะทุกเนี่ยโอ้ว่าตัวมันหนักมันน่วงมัน เบื่อมันหน่ายเลยคุ้มในละความคิดอ่ะมันมันเป็นมันเป็นอากาศเป็นสภาวะแต่ว่าเห็ุในห้องทุกได้จังใดอ่ะมันบอมเป็นขอนแปดปอนมัตตีหัวเาจากหน่อยนี่มันเป็นข้าว่าเป็นอากาศกับ่อมเนเป็นสภาวะเป็นห้าไปคิดเอาซื่อนี่นะเป็นแต่ว่าข้ามันหนักข้าน้องเห็นแล้วมันหนักข้าน้องไปเห็นเนี่มันมวลเลยแต่ข้าน้องเห็นมาแล้วนีสตีแล้วนี่คว้มคิดในสินั เป็นคล้ายๆเป็นสสารมรสนามันนวงมันนมมันจิตใจห่อจิตใจห้อมมันเลือกอิสระแล้วเริ่มเบาแล้วเนี่ยพรความคิดของมาแตตาเสียเนี่ยอู้มันมันจองหนักเหตุไปเห็นมันมันเลยอยากเลยอยากลุ่นกัความคิดมาเนี่ยหัวความคิดหนักบ่ต้องบรต้องไปก้าวถึงความคิดที่มันเป็นความโกรธความสร้างความเกลียดอันนั้นมันยิ่งหนักกว่านี้หลายเท่าแค่มันคิดซื่อหนิมันก็หนักแล้วก็น่องยกมือสางไว้คิดทอดผู้นั้นคิดไปเห็นผู้นั้นเฮ็ดคิดออกนอกตัวเสือก็หนัก ฉะนันพอเห็นผู้ว่าคุ้คิดมันหนักแล้วมันขยับหลุดจากคุ้มคิดมันเบื่อขี่ขานคิดป้าตัวมันจะเห็นได้บ้นงไหมป้าตัวอดคว้มคิดมันมันหนักปนนี้จีอันเข้าเข้าคิดมันนี่จากภพจากชาติตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่ห้องบุคคลหนักอย่าเสีาพ่มาปฏิบัติแล้วมันคือคุ้มคิดขึ้นหนักขึ้นนองคึ้เบื่อขึ้นในมันคือรุนแรงเทอะคือคิดกระดอกกระดิเถว่าท่นอันที่โอ้ผู้ขังคิดคัก้นนั่นคเอว่าเริ่มได้มีสติน้อยนึงเดีวเริ่มเห็นคุ้ ตอนปขั้นปกติเขาบคิดแต่เพราะว่าเห็นนั่นเห็นนี่ไปคุมคิดบ่ตาหูจูกเรียนกายเอาไปกินบิดเพราะว่าพ่อไม่เห็นแล้วมันเลิ่มหนักนะั่นลวเอินว่าเขาเห็นความคิดเพราะเห็นแล้วเขาเริ่มเห็นปุ๊จะหาทางเอามันออกเอาออกจังไดละมันเอาออกบ่ได้เดีเพราะว่าธรรมาสังเกตเบื้องนี้ที่กิงแล้วธรรมะคิดเองนะว่าผมไ้ตำหมีนบนนันเพลินว่าปกติแล้วในโลกนี่มีแต่เอินว่าอย่างเเป็นวิทยาศาสตร์ศาสตรพลังงานบ่แต่ธรรมาว่า ในภูษษมิสถาว่ามีแต่รูปกับน้ำในโลกเนี่ยมีแต่รูปกับน้ำรูปก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จับต้องโดยตาอ่าที่เห็นได้ที่ได้ยินนะที่จับต้องได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นน้ำก็คือความคิดความรู้สึกโม่เนี่ยมันเป็นน้ำแต่พราหมณว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นซอกลางระหว่างรูปกับน้ำโยมคือตัวใดก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละ ที่จรมันก็อยู่ในน้ำนะแต่ว่ามันวิเศษกว่าน้ำชนิดหนึ่งคือขั้นบุขั้นมีแต่จิตเอามีจิตจังเขาว่านมีจิตจะซึนเนาะบ่มีรูปมีจิตพวกที่สัมเวสีหรือพวกอันอื่นก็แล้วแต่ละที่มีจิตเนี่ยปฏิบัติถ้ำมาได้พวกเทวดาหลไรไปถ้ำอะไรเพราะย่งบ่มีบ่มีรูปซึ่งบ่มีควมรู้สืบตัวทำไมบ่มีควบรู้สึกโตัวแต่ว่าไอ้รูปเขานี่ยมันมีวิเศษนึงมันมีควมรู้สึกโตัวที่มันเป็นโต ตัวสามารถจับจิตได้มีแต่ความรู้สึกตัวสติเท่านั้นที่จับจิตได้ตัวอื่นจับไม่ได้ถูกไหมคือจังเปรียบเทียบอาตมาเปรียบเทียบ ว, ว่ารูปเขาเน่ยคือจังคือจังหลักคือจังต่อแล้วกับจิตเขาคือจังลิงมันกับลิงมันไปนั่นไปนี่แต่ว่ามีตัวหนึ่งที่มันดึงกันได้คือตัวความรู้สึกตัวเนี่ยสติเนี่ยคือมันเป็นเชือกที่ผูกลิงกับต่อติดกัน มันกัเต้นแล้วเรตอนส่วงที่ห้องปฏิบัติธรรมมัมันเต้นไปต้นนั้นเต้นต้นนี้ปกติแล้วมันเต้นตลอดเวลาดวงพระเทียนพูดเลยว่าจิตนี้กับกอกได้ไวดุดมีเทียนไขในตนเปนไส้พันนี่คือมันกับกอกมันปิ้นหนาป็้นลังจิตเนี่ยมันเต้นหนาเต้ น, นรังปกติเาเต้นสั้นตลอดเวลาเนี่จิตท่านเลสังเกนะตว่า่ะเป็นว่ามันโบยดูซือ้อมันเต้นไปต้นนั้นเต้นมาต้นนี้มันเต้นไปตามหูจมูกรินกายใจแต่จิตมันเต้นไปแล้นี่นะนเต้นไปต้นนั้นเนี่ยต้นนี้เนี่ย แต่ว่ามันกับมันก็มีหมองได้ยุ่งล่ะมีครูหาสยังน่ะเพื่อใส่คำว่าพันธนังเจ็ะรลังจิตตังทุระขังตุนิวารยังจิตนี่มันดิ่นล้นกัดแกล้งหามยากรักษายากดิ่นไปดิ่นมาดิ่นกัดแกล้งอยู่ะหามยากโให้มันไปก็บ่อไหนโมห้คิดกับบ่ไหนรักษาโให้มันไปก็บ่ไหนรักษายากคําว่ายากแต่ <Minneapolis. S 1> โมหารักษาบ่อได้เนีแต่มันยากก็คือรักษาได้อยู่แต่มันยากจะลูกข้อหระมันสอนได้ยุ่งแต่มันสอนยากเลยนะมันดิ่นล้นกัดแกล้งหามยากรักษายาก ก็จะนี่มันมีมีตัวหนึ่งก็คือมีคูหาสยางคือไก่เนี่ยเป็นเป็นมองยูมันมันมันไปโบไก่หรอกมันมีไก่จูดบะข่ายางนั่งใจลอยอยู่เนี่ยเสียงคนมาพอที่คนมาจาดปั๊บย้ายมันเลนตกใจสะดุ้งเพิ่หนึ่งโอ้ยมันได้ขวัญเอ้ยเพื่นว่าจิตหลนไปอยู่โป๊ตีนเือเถอะเพื่อนว่าคือจิตมันกลับมาสาวมันก็เลยตกใจขั้นจิตกลับมาไหวเนี่ยมันตกใจด้วยแต่ก็สามารถไปคนตกใจเสียงโนเออตกใจเสียงรถ เสียงประทัดเสียงพูนี่โอ้ตกใจพอ่อจะปฏิบัติถ้ำแล้วนี่พอ่อจะมีสติแล้วเนี่ยคุณแม่เสียงฝ้า้าก็มาตกใจเปรี้ยงบอสะดุ้งเลยมันเคื่อแค่สะเทือนใจแป๊บหนึ่งจิตมันสติเฮาเร็ว ก, กว่ามันเร็วกว่าเสียงเฮาก็สบายได้ส่วนนั้ประเด็นนี้สติตัวเนี้ยคือเสียงผูกระวังลิงหนะักตอนนี้เฮากำลังมาฝึกลิงเนี่ยพระเจ้าใส่คาว่ า, าทันโตเศธโธมนุษษสเสศุ มนุษย์ผู้ฝึกตนประเสริฐที่สุดขันจิตเท้าบ่อฝึกนี่มันประเสริฐบ่บ่ประเสริฐมันใส่บ่ได้บางเทียบกับบางเทียบกัเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่ที่ให้เป็นแม่ที่ดุเป็นแม่ที่เอินว่าตั้งไรล่ะอืมมันมันหักบ่แพ่แต่บางเทียบกับสั่งสั่งกับสั่งหลายฮักกหักหลายนะเขียดกับเขียดแห้งเอินว่าพึ่งบ่อได้แล้วมันเพราะได้ฝึกตนเลยพึ่งบ่ได้บางเทียบกั อ่าเป็นแม่อยู่ใส่นอ้อยู่เชื่องไมขง่ขอยกตัวอย่างนี้นิดนึงเขาจับได้บางปีกายเน่ะตัวแรกก็ว่างยาอยากได้เงือนอันประกันอยาไปเงินประกันลูกไส้อยากได้เงินประกันหลานปรากฏว่าแฟนก็ตายเอ๊ขอเขาเลยว่าเออแฟนตายแล้วก็ได้เงื่นประกันแต่ก็บอว่ายอย่างนั้งไปติดพนันติดการพนพนันประทศนี้ลูกไส้ตาย ถูกสร้ากับตายต่อมาหลานป <c oughs> ลานตายอีกหลานคนที่สองคนที่สองก็แล้งที่ตายเขาเลยสดเอกใจว่าเป็นยังเฮียนนี่คือตายอะไรกันทุกปีทุกปีตายอาการเดียวกันั่านกอเลยเอาไปพิสูจน์บังปากกนว่าเล่าว่างยาว่างยาเพื่อเสี่ยงขึ้นประกันไปนเหรียญไปกินเนี่ยฉะนั้นขั้นมันบ่ฝึกหรืวมันบ่ดีเขาเป็นผู้เป็นพระยากันละ่ะตั้นฝึกบ่ดีนี่พ่อบ้านกับพึ่งบ่ใครได้ดิกลับมากระหอนใส่กันโลดเอาไป ผูพ่อบ้านกขั้นฝึกบอดีก็เป็นพ่อบ้านที่ดีว่าไหนก็ห่อนก็เป็นว่ามีปัญหามีตะเล็ดมีจะเทียวไอ่จสิ่งที่บอดีบัง่ามนี่เสียลูกเขากันขันศึกอดีก็ใส่ยว่ไห้อันยังกระาำท่านผพ้ใจเอาเรยว่าทันตเสียโทมลูกสวยสุดมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วประเสริฐท่าจิตเท่ากันเด้จิตเท่าขั้นมันฝึกพอดีนี่จะน้อยโอ้ยคือสมสมปากบุ๋เนเด้ไปหากินจะน้อยก็น่าเัมอนน้อยบัญนี่คือส้งาเาไปหากหยดจะน้อยก็นหนเน บอกเกิดเนี้ยเยญนเนี้ย้วเงาเงา้วเงียบไปหาเหรียไปกินกระมู่ไปเที่ยวกระมู่ไปนั่นไปเดี๋ยวามันฝึกดีแลวมันบังคับเจ้าของบ่อใดขั้นบังคับเจ้าของบ่ไหนมันกะไรรถธีตำเหร น, นบ่ออันไดที่มันเห็นเจ้าของวอดวายชิบหายไปไปเลรียไปเที่ยวไปกินเิดเนี่ยฉะนั้นเขาตอนนี้เขาก็ต้องฝึกก็จังว่าฝึกลิงฝึกเรา ล, ลิงเนี่ยมันดิ่นเลวเขบาบ่ยอมให้เขาฝึกเลยเหรียมันแหรนยวนต่เดี้มันแระเหนอยู่เยไปไหนหร เล่นแบบอื่นไปเลยหลวงพ่อกระเบงก้รู้สึกตัว่าั่นนบอกย่างวนหน้าวดหลังมันทรมานใช่ไ้มก็ธรรมดาแล้วมันก็ฝึกมันก็ทรมานเนี่ย่างเดินจงกลมสงจับบากรโ้ยมันอึดอัดมันเนี่ยฝึกมันกับรังแรงวนหลักอยู่ขึ้นไปวนไปวนมากไปเลยนี่จาจําคอว่าวดไปวนมากวนไปวนมากไรตอนได้ตอนเขาเลยตอนเขาเสียคัดข้อกจำหลักทีดีตัวเสเนี่เห็นอย่างนี้เห็นได้เนบ แล้เพรามันจำหลักแล้วเอนว่าอาสึกมันได้จำหลักแล้วจับมันได้ตัวแรกจับตัวมันได้เพราะถ้าจำหลักแล้วออกไปแต่ว่าเห็นความฉิดโอ้โธ่มันตัวกูมาแต่ว่าจะพบจากชาติที่ตทุกข์อยู่นี่ทุกข์ขาชาติปุณณะปุรนังนี่ยม่อมันเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อมันเกิดติดตัวเป็นต น, น, นทุกข์ขาชาติปุณณะปุรนังนี่ยการเกิดบปไวัยไปทุกลําไปก็ะมายถึงว่าจิตเทามันเกิดจากควอมองหู้เนี่ะมันบ่มีสติมันเกิดจากกระทบทั้งตาหูจมูกลิน้นกายใจ เกิดแค่นึงอ่าปุงแตงมานั่งเกิดปุงแตงเกิดปุงแตงทุกทรมานหนึ่เกิดแล่าเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดตายะต่อมาแต่ด็เกิดอีกบุ๊เกิดอีกบุก๊ันนั้นบอกรับประกรันดอกเพียงแค่เกิดในชานี้ก็ทุกแล่วทุกอีกอยู่ในห้องจงหน่อยหักน่อยสั่งน่อยเครียดน่อยศูนย์หน่อยหัวร่อห้องไหายอยู่พราะสมฤทธิะจนตายมาดูท่องนี <c oughs> ่คือเกิดนี่คือการเกิดทางจิตส่วนเกิดทางกายหนึ่งอาตมาบอกรับประกันดอก แต่เพราะว่ามันบ่เห็นเขามันเห็นแล้วพันหูหแต่ว่าเขามันเห็นในเขาทุกคนอยู่ตตนนี้่คือการเกิดของจิตฉะนั้นคุณแม่ก้องหนึ่มาฝึกยินงหำไมาฝึกอย่างมาฝึกใจของเพื่อให้มันใส่ได้ให้มันเพิงได้กานเพิงมาได้เป็นอะไดให้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือบุถ่าวยิงไปสรงขวัฝึก อ, อ, อย่างอิงบุถ่าเมื่อนก้อนในโทษไป็นฮาโนแม่อยู่บานหน่อยใจเพป็นยู่บานเพาะเพิ่งจะ อยู่บ้านคนเดียวโทัไปประเทศไทยโอ้ยวะทันแม่เขานอนห้องให้ถุกมือเด้ยคือมันเรียกรอกคนสนใจบุหรี่นอนห้องให้ถุงมือเดียวไปยังคือห้องให้อันน้อยใจตัวลูกหลายคนก็วิพูวอยู่นั่งแตคนวะทันเขาไปเหตุการเห็นงานต่างจังหวัดบิดเนาะมีคอไปค้อบดนะบเบิดออกเงี้ยคนนึงมีคอบไปค้ออยู่คอมองกันบดที่นี่อ่านอยใจเขาให้ไปอยู่นําบเขาไปแเราเป็นห่วงบ้าน ห่วงบ้านก็ห่วงมาสองตัวด้วยฮะห่วงมาลายก็ลูกเลยว่วันละห่วงมาลายก็ลูกันอะบริเวณศึกสติม่พราะเรือบรรยยมเมื่อสางวางเสียบกับบ่อแล้ครับวันอยู่บ้านเทียนทีสีเฝ้าประพฤติปฏิบัติที่อยู่บ้านผู้เดียวมั้งหรแห่งมีเวลาหลบริเทียนยังลูกตอเาก็จงเงินจงท่อมาให้บ่ให้ที่อทยมิได้กินกับนอนะซื่อแต่ว่าครับมมีเนี่ยูเปินว่าเลี้ยงแต่กายบ่เลี้ยงใจเพื่อนนะนะ ลูกต่อทําไมกระทบไปยูเดียลที่เสียสองเทียเนียยั่งผิดพ้อเขากินี่ล่ะขั้นเป็นหัดจุนนั่นเป็นไดก็แม่นี่โอ้ยหน่อยใจนะพราะแต่หน่อยใจก็เครียดเครียดง่ายสูนเล้ยวปุถุตเอาจิตกายเป็นพุ้เด็กหน่อยขึ้นพราะท่นี่กาเพิ่มเจ้าของมาได้กับจิตจะเพิ่งลูกแต่ลูกเว้าวยังกระทบแน่กับเครียดลูกเว้าวยังหาแน่กับหายด้ปุถุตเอาโดยเฉพาะยั่งเข่าโรงพยาบาลผู้นั้นคือผมว่ายามกูแนี่ยบว่ชได้ เขาไปมาวัดน <S an> ี่ตัวว่าเมื่อเนี่ยมันขึ้นบุมบ้าอีกต่างวอยู่เนี่ยเขามาเฝ้าอยู่เห็นไหเออเนี่ยเออนิจิตมันขาดจีพึงไปขาพึ่งเนื้ออื่นไปสิ่งอื่นเขาพึงเรื่องอื่นมันพึงบะไรเป็นอยังว่าตีเกิดเกิดให้เขาแห้งเขาตายจากเขาเลยจะเลทุกบ่ทุกมันวิพุดอย่างยีรังย่างยินจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาตายจากเขาเขาตายจากเขามันเกิดมาเพื่อจากเกิดเพื่อตายพบเพื่อจาก ฉะนั้มันต้องพบต้องจับตลอเวลาเพราะเหตุจังเลที่พึ่งเจ้าของได้ตอนนี้แหละแตอนนี้หลวงพ่อบไริภาษาอย่างหลายเดิบริภาหานี่พลาดหอกมันเป็นคำที่โอ้คันว่าพนิพัทธ์มันมันดูสิว่าเป็นสิ่งที่สูงทรงไกลเหลือเกินพรฉะนั้นเอาไปสูงสัะมหาที่พึ่งแขกเจ้าของมาสรั่งที่พึ่งให้จิตใจเจ้าของจิตใจมันขาดที่พึ่งมันพ่องเนี่ยใจเขาตอนนี้มันพ่องอยู่เนี่ยขั้นสังเกตว่าโอ้พระเจ้าจังเลมันพ่อง มันยังหักกะหักแห้งมันสั่งกะสั่งแห้งมันเกียดกะเกลียดแห้งเนี่ยมันสูญกะศูญแห้งมันอยากได้กะอยากได้แห้งสินะเนี่ยเอินว่ามันผ่องอยู่ขณาน้เห็ดัตอนนี้มาเติมเต็มเติมเต็มกัยกมือเสนึงนรือถ้เติมเนึงเนี่ยยกมือนึงกับเติมเสนึงยกมือนึงกัเติมสนึงมาเติมเพื่อนใส่เข้ามาเติมบตรกับเอิน่ผู้ถาวร้านเอินว่าก so. ับหนึ่งกิสังสารวัฏด้วยบตกับหนึ่งเกิดเพ่อนใส่เข้า่าเลิก หยนหนึ่งเง่าโยนหนึ่งกวางโยนหนึ่งสิหน่ายนหนึ่งกับสิบหกกิโลนบ่ะล่ะนะอยปีซิมีนงางฝาเอาเม็ดง่าหอหอเม็ดงามาหยนตรงเท่าหนึงปาสวยหดอลอยปอีนหมดกับเม็ดง่ากินบริันาะจนจนว่าเม็ดง่าที่เตรียมลุมนะ่มเนาะข้อคอยที่ถมประลับได้ถมกับได้กับหนึ่งบริษันีเน้เห็นใเเขาะถมได้คุณแม่ขั้น สิบขั้นสิบปีนังฝ้าเอาเม็ดงามมาหยอดกันเพราะมีความหวังในน้อยนึงขั้นปีนึงเม็ดงามมาหยอดก็มีความหวังนอยน้อยนึงอยู่ดิขั้นเอามาหยอดทุกมือเออเพอสิเห็นผานเนี่ยลอยปีไปนิไหมเนาะปจะนี่นะกนี้แล้วเขากำ ล, ลังเนี่ลนี่ยกำลังถมกับเท่าไหร่มพม้พสึโตมาเทนเึงมันสมบูรณ์เเท น, ๆๆนึงก็เพิ่มขึ้นเนึงเพิ่มขึ้นตนี้เขาเขาบถิมเท่เม็ดด้เขาถิมมือนึงกถิมเทียแล้วกับแม้แต่ถิมเท่าเม็ดถิมเท่กรอบ ถิมลงถิมลงถิมลงกอบถมเนี่ยกำลังถมคว่ำ่องอยู่ของอยู่มันพองโอ้โหเมือนมันเต็มถ้ามันเต็มแล้วเป็นยังเต็มเป็นข้นเต็มแล้วก็เป็นค น, น, คนมีบุญคาว่า bien, บุญนี่คือเต็มเนี่ยมันบอกสามาแปลผิดบะเนี่ยบุญนี่มากคำว่าปูรณะปุญญาปุรณะคำว่าปูรณะโบด้วยนคือโบดเนี่มันพองแล้วเอาเอาเนื้อไปปูรณะให้มันเต็มให้มันสมบูรณ บุญเนี่ยว e ่าอี่มอกอิ่มใจเต็มอกเต็มใจแต่ข้าเห็ดแลี้วบวชข้าเห็ดทำบุญแล้วบอิ่มอกอิ่มใจนี่ก็แปลว่าบเป็นเพาะในเป็นบุญั้นเห็ดแล้ยวบวเต็มอกเต็มใจเห็ดก็บวเป็นบุญต้องเต็มจะเฮ็ดอิ่มใะเฮ็ดเฮ็ดเลี้วก็มีความสุขเฮ็ดจังไรเสด้บุญนะคุณแม่จังพูดเบาๆนะเอาเรื่องบุญนิดนึ่งคืออ่าคนถามพระเจ้าเห็ดจังไรผู้ขาเสดบุญว่าท่นผู้ขาทำบุญนะายเสด็จเด้บุญบ้างถามพระเจ้า คุณแม่เคยถามหลวงพอ่อ่ะโอ้ยผู้ขาเป็นเจ้าภาพซ้อฟ้าบาาริกรรมในผู้ขาจะได้บุญมน้นเคยถามปะ่ะตัง่เพื่อนโอ้ยเจ้าได้เป็ี่นเที้ยนทิดาได้เอาเถอะนะถามเพื่อนพระเจ้าเพื่อนตอบว่างไดเพื่นพระเจ้ามาตอบแล้วจะได้เพื่นพระเจ้าบา่าวท่านเด้อผู้ขาได้บุญโมนนน้นได้พระเจ้ต่อบสิพระเจ้าตอบว่ า, าถามขึ้นว่าก่อนเฮ็ดเจ้าเปลี่นยังได ถามอีเมลสิเพื่อนมาเพ่นมาจังหันเนี่ยมาเพ่นอ่าถามก่อนเจ้าก่อนเจ้าเจ้าอาหารมาจิตเจ้าเป็นยังไงโอ้ยผู้ขาก็ดีใจแล้วเนาะได้เตรียมเสียงเตรียมของได้ไปซื้ออาหารเข่าปลาอาหารแห้งมาเฮ็ดก็ดีใจเฮ็ดผมเป็นเฮ็ดไปพร้อมจ่มให้ลูกขลา่นพร้อมซึ่งสวยสร้างโผกันบนลงปวงเป็นดึกสากสะุ้งสลานไว้นอกสันเนี่ยเฮ็ดไปพร้อมขนาดเฮ็ดก็ขณะดเฮ็ดเนี่ก็ดีใจขณะ อ่าก้อนเห็ดอ่ะใจกะดีใจกะง่ามแล้วคณะที่ได้ทําบุญนี่ใจยังบกพร่องใจยังอิ่มอยู่ใจกะดีกะง่ามใจกะม่วนโอ้ดมีแห้งใจที่ความสุขแต่มาเห็นพระเพล่นเห็นโยมเพลินปฏิบัติถ้ำหยุกเมือ่อโอ้ไปได้บุญน้าเพลินผู้ขาได้เข่าปลาอาหารมาให้เพลินเป็นกําลังให้เพลินได้สติปัญญาเนีย่ยที่จริงเราเข่าปลาอาหารมาให้พักอเมื่นให้เอาบุญน้ำพระเนี่ย เท่ากับเอามาเอาอาหารไม่พะเนี่ยเพื่ออย่างว่าทเพื่อที่ได้ให้เพื่อนได้สันเพื่อสิเป็นกำลังเป็นสติปัญญา mm. เพื่อนจะได้มาเพ็ญเทศธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วมาศึกษามาสอนเงือนมันโอมอีกเทนึงให้โอมได้เกิดสติปัญญาขึ้นญญนั่นไม่ใช่ือทางพุทธศาสนาด้วเนะี่ยครมาทางอื่นแต่ว่าบัรลาบอกแต่มาทางพุทธศาสนาเป็นว่าที่จุดประสงค์ที่เอาเอาปอาหารมาถวายประสงค์ที่เฮ็ดอาคันเฮ็ดมุนีก็เพื่อให้บังแดดร่มให้ เขาได้ไหมพระพุทธปฏิบัติข้นได้พระพุทธปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์สำคันจุดประสงค์เพื่อพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์ทั้งพุทศาสนาคันเห็นอะไรกันแล้วแต่ขั้นบทเป็นไปเพื่อเบื่อในใายไข้กำนัดครับบูมแมนวัตที่พราะแต่เหตุเขาเอาเข้าวปลาอาหารมาขณะทำบุญเข้ากับมีความสุขเมรุมีความสุ ข, อสขโอ้ยบูคาไม่แห่งใจเห็นพระพุทธสันให้เพุ่นเอาให้นะวัตเทนี่ขณะที่เทศแล้วพระพุทธสันแล้ว ขณะกลับบ้านนี่ยมีควอ ม, มูลบอกมีข้อมอันนี่เขาจะได้เป็นบุญเนี่ยต้ององค์ประกอบสามอย่างเฮ็ดแล้วก็เป็นบุญคณะนั่นเพราะจะกลับไปบ้านแล้วเห็นภาพพุ่มตักไห่โอ้ยขอ ง, อ ง, งอเข้ากกอยู่ขึ้นเขาขึ้นวิพ้กินไหนี่บางที่อากาเกิดยังขึ้นในระหว่างทางเรื่องอย่างบสบาย อ, อกสบายใจเครียดกระสุนสนึกถ่เป็นบุญแต่ไปบุญมันเปลี่ยนอยู่เบื้องต้นแต่ว่าช่วงหลังเทวดาตกสวรรค์บุญมันกระดับเพื่อนเพราะว่าบุญมันบมัน บุญมันเป็นกุศลมันบอกันฉลาดในการที่รักษาใจมันก็แต่มันก็คือเพิ่นใส่คาว่าคือจังหนามกะทะเฮ็ดขณะนั้นจริงขณะนั้นนี่คุณสุขนาะนั้นแต่ว่าขั้นห่อเฮ็ดแล้วเกิดพาเพิ่นอินแม่ถําบุญร้อยเหรียญเพิ่นบอกอ่านซื้อให้บ่เห็นซื้อเขียนไว้เ่เขียนซ้ำเนี่ยเงื่นว่ากันบูด้วยกันแล้วต้องขั้นผู้ฉลาด้็บ่เป็นอย่างน้นห่อเห็ดแล้วกันเขาวัดเขาว่ากันดีสละใจห่อรักษาใจของใดพูดกันเพื่อเป็นบุญอยู่บ่เขียดบ่ซูลนี่หละ ฉะนั้นก่อนเฮ็ดขณะเฮ็ดหลังเฮ็ดมีความสุขบวชเขียดบวศูนย์จิตใจเป็นบุญค่อยเได้บุญฉะนั้นถ้ามาปฏิบัติถ้ำเหนือคือว่ามาเสริมให้ใจของมันเต็มให้มันสมบูรณ์เพื่อมันบรทุกปฏิบัติถ้มเพื่อให้มันทุกตัวไหนว่าต้องบางเงอื่นดอกให้มันทุกหรือว่ามันทุกหน่อยหน่อยให้มันมันทุกตัวเรี่ยวมันทุกหลายมันเขียดหล่ไว้มันศูนย์ไหวให้มันเขียจศาแนวศูนย์ศาสตร์แนว ซาเนี่ยกระทบให้มันหูท่านเนี่ยแล้วก็เอาออกได้เน่ยแล้วค่อยลดแล้วค่อยละเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะแล้วค่อยเลิกนะอแล้วค่อยเลิกเข้าใจนี่คือจุดประสงค์เฮ้าส่วนปฏิบัติถ้ำปฏิบัติไปรเร็วมันเกิดยังขึ้นแนบนอนเ น, น, น, นี่ยค่ะแล้วก็อิเมีมันถามมาเนี่ยโอ้ยผู้ข่าปฏิบัติมากก็มาเห็นว่ามันทะลุมันบรรลุต้นเขาจะเคี ย, ยมันขึ้นอยู่ด้วยอาจารย์ของท่านโอ้สิบรรลุอย่างลราคุณเมีเนาะปฏิบัติถ้ำเพื่ออย่างเนีย่ยอ๋ เพื่อไปสู้ก็บมีเนี่ปฏิบัติธรรมนี่ยเพื่อไปสู้ก็บมี่เ ม, มนี่โยมมาทำอ่ามาคนมาเน้องสนมากคนมาพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นนักปฏิบัติผู้ขากอของดีเนี่ยท่านเอนอ่ยได้ของดีแตา่มามว่าโกมีแล้วไม่ได้ซี่ดีกับของแห้ของดีแต่ว่า ม, า ม, มิเตซี่ดีกับธรมมรมะแต่เนี่หลวงพ่อมันไดพายยกมื อ, อาสางแหววกันยกมือสางวะปฏิบัติธรรมไป น, น้อยนึงอยู่ S 1> <S 1> วันนี้เขาใจกลับมานนี่ขอของดีไปเนี่ยวนันของโซกของมานพนันเออเอาไอ้โซกไอ้มานเด้อก็ บ, บอกคนท่านันอ่ะปวดไปขอท่านหลวงพ่อคนไต้คนนีหลายบอกได้แค่นั้นนะน้องหาก็ถนัดทั้งนี้ฉ ะ, ะ น, น, นั้นลูนนกรศรสรนาห้ากับ น, นี่แหละไอ้ห้าพนทุกไอ้ห้าทุกหน่อย ขันยังทุกอยู่ก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ ย, ยันยงยังได้ประโยชน์จากศาสนาหน่อยอยู่ขันเท่าที่ได้ประโยชน์จากศาสนาหน่อยหรือหลายนั้นอยู่ที่ว่าเาท่าทุกหน่อยหรือทุกเลียวบ่เอาออกได้หลายตำแห น, น่ะแต่หน้ามาว่าว่าวันตายสายุดท้ายบางกีว่าปฏิบัติธถ้มไปยังปฏิบัติธถ้ำไปสู่คว่มุมมีมันบอกคุณแม่ขันปฏิบัติถ้ำไปแล้วโอ้ยผู้ขามีหลายผู้ขาดอ่า เป็นว่ามีอะไรใผู้กล้มีอัตตาหลายๆเห็นมีนั่นมีนี่หลายๆนี่เป็นว่าบมีนเน่บะมนขางท่านเปนำนี่ผมมีอัตามมีตท่านยังมีเจ้าของอยู่โมเดกันยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีนั่นพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเมื่อร่เสี่ยงสู้ไปเฮ้ยเขาตายกระทุกเขาบะมีกระทุกเขาบตโทมากกระทุกเขาบาเบิ้กระทุกมือวันสาคัญสาคัญเป็นว่าขั้นมีเขา ใช้การเข้าไปอย่างเข้าปฏิบัติเพื่อโบเอ่นโบไหมีเข่าได้ไห้มีเข่าแต่ว่าโบไหมีเข้าเท่าไหรปฏิบัติเพื่อให้มีไม่มีเราแต่ขั้นมีเข่าว่าเป็นอย่งขั้นมีเข่าว่ามีเข้ากรับว่เป็นอย่งเอ่อหมายถว่าขั้นมีเข่ามันมีอยู่แล้วเขาเนี่ยนะแต่ว่าโบมีเข้าขั้นโบมีเข้าหรอกว่ามันก็วิ่งเข่าแต่ขั้นโดยตัดกะแล้วนะนั่นบอกตอนนี้มันมีเข่าอยู่พอ่ามีเข้าขั้นมีหลายจะได้ก็ะสุกหลายขั้นน่ะมีสิ่งที่ผลพ่วงเข้า ใช่นั่นเท่เากับปฏิบัติท่มู้มมีด้คุณแม่ด่าเอาอมาหนิกะเบามากกับพ่อสมควรนะเนาะบาสิ่งลหลานพัฒนาน่อยจนไม่ออกสืออกจากสาราเราลำงงซอง <c oughs> <c oughs> เป็นไอ้สิ่ตัว อ, อนัอนขัน้นผู้นึงออกแล้วมันยากออมกันเนี่ยคื อ, อยังพลาะขั้นองค์นึงสื่อเหลิมจะสื่อตกันรึเปล้ยมันหวังมันว่องวิ่งหวังเบงเนี่ยตอนแรกก็อยากสื่ อ, อพอได้เห็นมเก็บดอกไม้ไปใส่สูตรมาแล้วโอ้ยผู้ขาไปนั่นลเมอนวดิเนี่ยนี่เื่อนลไม่ออกผนึงเศร้าคนึงก็อยากเศ้านั ฉะนั้นเมื่อนี่อาตมา ก, ก็บอกให้กำลังใจให้เกิดจัตวาเนาะให้หอได้เห็นอป็นอย่างแน่นลเล็กน้อยตามที่สติปัญญาอาตมาสีลําดับได้แล้าลำดับว่าท่านในเกียงมาได้ก็เบอลกลวกๆยานเวลามันเบิดยานไปออกจออกอากอวกาศสลายมาว้แน่กหน่อยอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกการนะก็ขอกลับ